เก้าสิบห้าตัวหนูที่อนดคำสันธานสองยี่นัยปุ๊บชรกลยีรันเดเธอไม่ทำงานตั้งแต่เมื่อไหรอ่าววันเย็บโคเรดิลรันเด็บเวลึกก็เจริญวันดิลเลย ตั้งแต่เธอแต่งงานหรือค a ลเลียนติริกพิรักก์ใช่เธอไม่ทำงานอีกเลยตั้งแต่เธอแต่งงานออมคัลเลียนติร p ก r ิรักรก์อาวัลเวลกิกจัลเวดิลลิกตั้งแต่เธอแต่งงานเธอไม่ทำงานอีกเลยคัลเลียนออมอันน์พิรกักก์อาวัลเวลกิกจัลเวดิล ตั้งแต่พวกเขารู้จักกันพวกเขามีความสุขอว่กันวันวันนี้วันวันสันติสุขเป็กาสันโดษชาวหมาคืรกัตั้งแต่พวกเขามีลูกพวกเขาแทบไม่ไปไหนเลยคุณันได้เรันต์ต่รักเธออว่ากันอัดีกับวัีเดิลเธอโทรศัพท์มาตอนไหนอากันยีป่ปีนี้ฟนเซยล ขณะขับรถหรือ car walking พอดีดดใช่ขณะที่เธอขับรถอ๋อ c r walking อดีดอนเธอโทรศัพท์ขณะที่เธอขับรถเอาไว้ c a t k i n g พอ ด, ด, ดี phone s a v e เธอดูโทรทัศน์ขณะที่เธอรีดผ้า เธอฟัง ல ை க ง க ா ட ் ச ிเธอทำ் க นเธอฟังเพลงขณะที่เธอทำงานเธอฟั ง, งเพลงขณะที่เธอทำงานเองเพ่เธอานเ வ อฟังเพลงขณะที่เธานเธันเอัง่ เ, น, งเนเองลี่เานเัล่านเธั่นไมี่เขี่านเอะที่เนเธอฟังเพลงขณะที่เธอทำงานเธอฟันเธั่เนข่เาอขะเาอละเล ถ้าดนตรีดังเกินไปสังเก த ம มีบลับสัตตมหาเขออียนรุนดาลยานักยดุுุ่มพูดีบัดิลเลยดิฉันไม่ได้กลิน่นตอนที่ดิฉันเป็นหวัดเจ้าลู இ ชม ந รุนดาลย க นักยันด ம หมு ம ุ த ெ่ม வ த ร ல ் ல ดิลเเราจะนั่งแท็กซี่ถ้าฝนตกมาลพีดาลโวรวาดง่ายวันดี த ึดต கொள்வோம் เราจะเดินทางรอบโลกถ้าเราถูกลอตเตอรี่คุลก์ชีติลปนัมวันดอลบุลากมุดูบดมสุตรีวารลอมถ้าอีกเดียวเขายังไม่มาเราจะเริ่มทานข้าวอาวันศีกิริมวราระวิลเลยินรอลนอมสอปิดะอรังบิทต์วิดลอมกรุณาไปที่